ที่วัดปาสุกโตมีกิจกรรม2 อ, อย่างคู่กันไปน ะ, ะเรียกว่าคอร์สก็ได้นะอันนึงก็เป็นคอร์สลังพิษอีกอันนึ่งก็เป็นคอร์สเจริญสติคอร์สล้งพิษกับคอร์สเจริญสติดูเหมือนว่าจะแตกต่างกันนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมีอะไร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 พลังงานของร่างกายก็ถูกใช้ไปในการย่อยอาหารก็จะเหลือน้อยนะสารการขับสารพิษออกจากร่างกายหลักการของการล่างพิษออกจากร่างกายก็มีง่ายๆคือว่ารนะับอาหารเข้าไปในร่างกายให้น้อยลงน้อยลงนะจนนึงจุดหนึ่งก็ไม่รับเพิ่ม้าไปเลยพลังงานของร่างกาย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 ทุกวันนี้เนี่ยเราเสบรับอารมณ์ต่างๆมากมายนะมันมีอารมณ์ใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะไปหมดทางตาทางตานี่ไม่ใช่แค่เป็นหมายถึงรูปเท่านั้นนะแต่ยังหมายถึงข้อความข้อความทาง Facebook ข้อความทางอีเมลทาง l ล n e ข้อความบางอย่าง อ่านแล้วก็ดีใจแต่ข้อความบางอย่างอ่านแล้วก็เครียดนะอยู่บ้านกลับมาถึงบ้านแล้วเจ้านายยังส่งส่งงานมาทางไลน์นะหรือว่าบางทีเจ้านายก็อ่าเขียนคําต่อว่ามาทางไลน์นะเราอ่านแล้วเราก็เครียดนะอันนี้เราตากระทบรูปเนี่ยนะนะแล้วก็มันเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาที่ใจ เกิอดอารมณ์เครียดหงุดหงิดแล้วพอไปเสรรับอารมณ์นั้นไม่ปล่อยไม่วางก็เกิดความทุกข์ทุกข์แล้วเนี่ยสักพักอาจจะหายดูหนังฟังเพลงก็หายดูเหมือนหายที่จริงไม่หายนะมันมีตะกอนตะกอนอารมณ์ตะกอนความเครียดสะสมในใจอย่างที่บอกไว้ลอดใจเราเนี่ยมันก็มีกลไกนะในการขับ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 เรเกิดความโกรธขึ้นเออเราแผ่เมตตานะอย่างที่เราแผ่เมตตามาสักครู่พอเราแผ่เมตตาความโกรธก็หายไปหรือว่าเราให้อภัยนะความโกรธก็หายไปสติก็เหมือนกันนะสติก็ ท, ทําหน้าที่นะกำจัดตะกรนอารมณ์นะไม่ปล่อยให้มันไ ม, ไม่ปล่อยให้มันหมักหมมแต่ว่า อย่างที่บอกไว้แล้วคือเราทุกวันนี้เราเสพรับอารมณ์มากและเมื่อมันเกิดตะกรอารมณ์นะเกิดขยะอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยสติของเราหรือว่าใจของเราเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาที่จะศาสางหรือว่ากําจัดในขยะอารมณ์ออกไปจากใจเราเอาแต่ทํางานทํางานทํางานทํางานทํางานนะ แต่การอารมณ์ก็มากขึ้นมากขึ้นแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะจัดการมออกไปจากจิตใจมันก็เลยสะสม พ, กพอกปูนจนทั้งกายเป็นพิษ ก, กับจิตใจของเราการที่จะล้างพิษออกจากใจนะก็ ค, คล้ายๆกับการล้างพิษออกจากร่างกายนะคือว่าต้องปลีกตัวมาปลี่ตัวมาอยู่ที่ที่เราจะไม่ต้องเสพรับอารมณ์มากนะอย่างเช่นมาที่นี่เนี่ยนะ นอกจากไม่ได้ฟังข่าวไม่ได้ดูโทรทัศน์แล้วก็ไม่ต้องรับอารมณ์ต่างๆในที่ทำ ง, งานแล้วเนี่ยไอ้ข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์มือถือนี่ก็ก้องงดรับนะไปด้วยคราวนี้ใครจยกันเนี่ยก็ไปก็มีการเสริมเสริมกลไกที่ช่วยกำจัด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 ปัสสวาวะนี่ก็อา จ, จะเป็นชั่วโมงเรากินข้าวนี่กว่า จ, จะขับถ่ายมาเป็นอุจจาระนี่ก็หลายชั่วโมงแต่ว่าสตินี่มันขับอารมณ์ขยะอารมณ์ไปจากใจเนี่ยเร็วมากเลยนะเรียกว่าชั่วขณะเท่านั้นแหละชั่วชั่ววูบนะชั่ววินาทีเท่านั้น แ, แต่ต้องเป็นสติที่ได้รับการฝึกฝนให้ ปราดเปรียวนะสติที่พวกเรามีเนี่ยนะไม่ใช่ไม่มีนะก็มีนะแต่มันช้ากว่าจะรู้ตัวว่าโกรดนี่ก็ผ่านไปเป็นวันนะผ่านไปเป็นคืนหรือบางทีก็ไม่รู้หรอกแต่ว่ามันมันเลือนหายไปเองตามการลเวลานะแต่ในกรณีอย่างนั้นเนี่ยมันมีตะกอนอารมณ์อยู่นะ อย่างเช่นเราโกรธใครสักคนเพราะเขาว่าเราเขานินทาเราแล้วก็โมโหโกรธทาหงุดหงิดจนนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือว่ า, ากว่าจะนอนนี่ก็นานลุงขึ้นดูเหมือนว่าอารมณ์มันเจือจางลงแล้วดูโทรทัศน์ฟังเพลงก็หาย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 หลักการคล้ายกันมากสติที่เป็นสิ่งสําคัญนะในการที่จะช่วยทําให้ใจเราเนี่ยเป็นปกตินะการล้างพิษ ช, ช่วยทําให้ร่างกายเราเป็นปกติทํางานได้ดีขึ้นบางคนป่วยนะพอล้างพิษไปแล้วเนี่ยมันก็ทําให้หายป่วยหรือว่าสุขภาพดีขึ้นอพอลาวะ หลายคนสุขภาพจะดีอยู่แล้วนะแต่ว่าสุขภาพใจไม่ดีป่วยเครียนดะทุกข์เศร้านะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการสักสมเกิดจากการหมักหมมนะแต่ถ้าถ้าเกิดว่าเราจเจริญสตินะเราจะรู้เลยอ๋อนะเราทําไมถึงทุกข์กันนะเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะเพราะเราแบกเอาไว้เราเก็บอารมณ์เอาไว้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 เพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ตัวเพราะเราไม่มีสติสติเรามีก็จริงแต่ว่ามันมันมันทำงานเชื่องช้าบางคนเนี่ยเผลอดาไปแล้วถึงค่อยรู้ตัวว่าทำอะไรลงไปบางคนเผลอทำลายเข้าของแล้วถึงรู้ตัวว่าทำอะไรลงไปบางคนเนี่ยถึงกับไปยิงเขาตายแล้วนะถึงค่อยรู้ตัวทําทำอะไรลงไป พอรู้ตัวแล้วก็เลยนั่งคอตกรอตำรวจมาจับไม่หนีนะเพอะเพอยอมรับว่าตัวเองทำผิดนะอย่างมีลายหนึ่งนะเป็นน้องนะบอกพี่นะเตือนพี่ว่าข้อพรรษานี้งงดเหล้าหน่อยนะพี่นีดกินเหล้าเยอะก็บอยพี่เนี่ยนะงดเหล้าข้อพรรษา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 ไปคว้าขวานมาจะมาไล่จามน้องแต่ว่าเพื่อนห้ามมาไว้แล้วประกอบกับเจ้าตัวนี่เมาเมาก็เลยนั่งหมดสภาพแล้วท่าทางจะไม่สบายด้วยกินหนักเพื่อนก็ไปเรียกไปเรียกรถเพื่อจะพาที่นี่ไปโรงพยาบาลก็เลยกับน้องกับพี่สองคนน้องนี่โกรธมากนะ กลรธที่พี่เนี่ยจะเอาขวานมาจามแกมีคัตเตอร์อยู่นะทีแรกคัตเตอร์เนี่ยใช้เพื่อป้องกันตัวแต่ว่าไม่ทันได้ใช้นะก็เพื่อนก็ห้ามเอาไว้ก่อนแต่ความลลรธก็มีอยู่นะพอไม่มีใครเนี่ยน้องก็เอาคัตเตอร์เนี่ยปาดคอพี่เลยนะตายตายเสร็จก็รู้ตัวว่าทำอะไรลงไป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 เริต้นจากความปรารถนาดีนะแต่ทำไมกลายเป็นการทำร้ายเ้าได้เพราะไม่มีสตินะคนเราถ้าไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวนะความปรารถนาดีมันก็กลายเป็นความปรารถนาร้ายขึ้นมาในที่สุดมันตรงข้ามกันเลยนะแต่ว่าถึงแม้พวกเราเนี่ยจะไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าอารมณ์ที่มันหมักหมมนะอารมณ์ที่มันค้าง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 การเ ก, ก็ต้องนะขยันในการปฏิบัติด้วยนะต้องปฏิบัติให้ถูกนะวางใจให้เป็นนะอันนี้จะยากกว่าการล้างพิษออกจากร่างกายสันหน่อยนะเพราะล้งพิษนี่แค่ใช้ความอดทนนะนะแต่ว่าการเจริญสติเนี่ยมันต้องอาศัยการวางใจนะที่ที่ถูกต้องนะสร้างจังหวะเดินตรงกลม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 อยากจะให้แฟนอยากจะได้แฟนที่รู้ใจอยากจะได้ลูกน้องที่รู้ใจอยากจะได้เพื่อนที่รู้ใจเนี่ยมันเป็นความฝันที่สำเร็จได้ยากนะแต่สิ่งที่เป็นไปได้ก็คือรู้ใจตัวเองนะและมั่นใจเลยนะว่าถ้าเรารู้ใจตัวเองแล้วเนี่ยความทุกข์จะน้อยลงอาลมที่มันจะกัดกินใจเราคร่อมงําใจเราเผารนใจเราก็จ ะ, ะไม่สามารถ ทำอย่างนั้นได้อีกต่อไปนะเพราะเรามีสติที่ช่วยให้รู้ใจตัวเองถ้าเรารู้ใจมากเท่าไหร่ก็จะไกลทุกมากเท่านั้น